สพระอริยะเจ้าวางของหนักลงไปแล้วไม่หยิบฉวยขึ้นมาอีกก็พ้นจากทุกข์คนทั่วๆไปเห็นทุกข์บ้างสุขบ้างก็ดิ้นหาความสุขดิ้นหนีความทุกข์ไปผู้มีสติผู้มีปัญญาก็เห็นว่าเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์บังคับไม่ได้ถ้าปัญญาแจม่มแจ้งจะเห็นแต่ทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่มีสุขเลยถ้าถึงตรงนั้นแล้วมันจะสลัดจิตทิ้งแล้วก็ไม่ไปหยิบฉวยอะไรขึ้นมาเป็นภาระอีก เรียกว่าวางขันลงไปแล้วขันเป็นของหนักบุคคลแบกของหนักพาไปแล้วก็ไม่พ้นจากทุกขพระอริยเจ้าหรือพระ อ, อรหันวางของหนักลงไปแล้วไม่หยิบฉวยขึ้นมาอีกก็พ้นจากทุกข์